เปัทมปฏิสัมพิทาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมพิทาสูตรที่หนึ่งสาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจประการไม่นานนักก็จะทําให้แจ้งปฏิสัมพิทาสีด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ทำเจ็ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง รู้ชัด ต, ตามความเป็นจริงว่าจิตของเรานี้หดหู่ 2. รู้ชัดจิตท้อแท้ภายในตามความเป็นจริงว่าจิตของเราท้อแท้ภายในสรู้ชัดจิตฟุ้งซ่านไปภายนอกตามความเป็นจริงว่าจิตของเราฟุ้งซ่านไปภายนอกสรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า เวทนาปรากฏขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไป 5. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสัญญาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไป 6. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าวิตกปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไป 7. จ็ดกำหนดดีมนสิการดี ทรงจำดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาซึ่งนิมิตนธรรมที่เป็นสัพพยะและอสัพพยะที่เลวและประนีตที่มีส่วนดำและขาวภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบได้ทำเจ็ดประการนี้แลไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งปฏิสัมพิทาสีด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ ปธมรมปติสัมพิทาสูตรที่7จบ